ทุกอย่างที่ทำนี่ก็เอาหลวงตาเป็นเหตุแต่ผลและเหตุที่ปฏิบัตินันก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองผู้ที่จะได้ผลก็คือผู้ที่บำเพ็ญแต่เราอาศัยความกระตังยูกตเวทีความรักท่านความปรารถนาที่จะให้ท่านได้อยู่คู่กับเราเปนา น, าน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 คนตายต้องไม่รู้เรื่องเหมือนหนังสือที่เขาเรียกว่านะเสียดายคนตายไม่ได้อ่าน อ, อคนตายอ่านไม่ได้ต้องคนเป็นถึงจะอ่านได้พวกเราเนี่ยเปนคนเป็นอยู่ตอนนี้ถ้าเราอยากจะสร้างกุศลเราต้องสร้างกุศลในตอนนี้ดูพระพุทธเจ้าดูภาษาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่าง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 อย่างเช่นสมัยในสวนดาวคนฟังก็ไม่เข้าใจความหมายแม้กระทั่งคนสวนบางทีก็ไม่เข้าใจความหมายเป็นเป็นเหมือนนกแก้วนกแก้วถ่ายทอดสู่นกแก้วแก้วจะาแก้วจ๋ากันมาตลอดแต่ไม่รู้ว่าแก้วอยู่ตรงไหนเจอแก้วก็เขียทิ้งไปเหมือนไก่ได้พลอยคุยเขี่ยคุยเขียไป หาแต่ตัวนอนตัวไส้เดือนพอเจอพลอยเจอเพชรเข้าก็เกลี่ยทิ้งไปเพราะไก่กินกินเพชรกินพลอยไม่ได้ไก่จะเอาแต่ไส้เหนือนตัวตัวนอนตัวไส้เดือนเหมือนบุคคลที่ไม่ฉลาดที่ไม่มีกุศลาก็จะไม่เห็นธรรมะว่าเป็นเพชรเป็นพลอย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 คือการบวมมั น, ม, นมันเป็นเพียงรูปแบบจะห่มเหลืองห่มขาวจะโกนหัวไม่โกนหัวนี่มันเป็นรูปแบบการบวกจริงมันอยู่ที่การปฏิบัติชำระกายวาจาใจอยู่ที่การสละสละทรัพ์สละครอบครัวสละยศถาบรราศัสละความสุขทางโลก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 สงบลงแล้วใสขึ้นมาและตอนนั้นบุญบา ร, รมีเดิมที่เคยบำเพ็ญมามันก็จะมีโอกาสที่จะปรากฏขึ้นมาบางทีบางคนก็มีมิริสไมเดนอ่านจิตอัดจใจของผู้อื่นได้ดูกายทิพย์ได้รดกชาติได้เหล่านี้เป็นสิ่งที่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 ขอให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้ลงไปในใต้นักให้หมดแม้ว่าเป็นอร่อยก็ตามมันไม่เที่ยงทั้งนั้นมันปรากฏขึ้นแล้วมันก็ดับไปถ้าเราไปหลงยึดติดเราก็จะมีความทุกข์เพราะเราอยากจะให้มันปรากฏขึ้นอยู่ด้วยอยๆนั่งสมาธิทีไรก็จะอยากจะให้ มีภาพต่างๆปรากฏขึ้นมาก็เป็นเหมือนกับนั่งดูโทรทัศน์ไม่ต้องนั่งภาวนาก็าได้สมัยนี้มีโทรทัศน์ให้นั่งดูก็นั่งดูไปก็เหมือนมีสมาธิคนที่นั่งดูดูทรทัศน์นี่เขาก็มีสมาธิของเขาเขาไม่ลูกไปไหนบางทีถ้าเป็นถึงตอนเข้าได้เข้าเข็มนี้ปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำยังไม่เข้าเลยยังทนนั่งดูได้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 จนจิตนี้ไม่มีความวิตกไม่มีความหวาดตัวกับความเป็นไปของร่างกายเมื่อมีความคิดว่าไม่กลัวแล้วก็เอาไปพิสูจน์ดูตอนที่เรานั่งดูเราอาจจะนั่งอยู่ในกุฏินั่งอยู่ในบ้านเราลองไปดูที่มันเปี่ยวๆน่ากลัวน่ากลัวดูสิว่าจะ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 เพราะถ้ายังไม่พิจารณาเวลาเห็นร่างกายก็จะเกิดความยินดีในร่างกายที่ชอบที่สวยงามที่ว่าสวยงามก็จะเกิดมีความกำหนัดยินดีอยากยาเสพรถแห่งกามก็ต้องพิจารณาร่างกายนั้นให้เห็นถึงสภาพที่ไม่สวยงามที่น่ารังเกียจ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 ถ้าไม่มีปัญญาคือตาในมาดูให้ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งสาสิบสองส่วนก็จะถูกความหลงหลอกให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่สวยงามสิ่งที่น่ายินดีน่าครอบครองน่าเอามาเป็นเป็นเพื่อนเป็นเป็นคู่ครอง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 ส่งสกโปกถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่มีความยินดีไม่มีการวัฉันทะยินดีในกามเรื่องของการปฏิบัติหรือการพิจารณาธรรมะนี้ก็อย่างที่พูดไว้ว่าก็ต้องมีการสลับกับการพักอยู่ในสมาธิเราพิจารณาไปสักระยะหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่ามัน มันเหนื่อยหรือมันไม่อยากจะพิจารณาก็อย่าไปอย่าไปบังคับมันแล้วก็ย้อนจิตเข้ามาสู่ความสงบเคยสงบด้วยการบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปการสงบด้วยการกําหนดดูลมหรือการดูผู้รู้ก็ทําไปให้จิตนิ่งไม่คิดปรุ่งอะไรเมื่อจิตพักพอแล้วจิตก็จะถอนออกมาเมื่อออกมาแล้วก็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 กินยาเพื่อรักษาโรคภายไข้เจ็บกินยาเพื่อไปทําลายเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่ออาการเจ็บไข้ได้ป่วยมันหายไปแล้วหมดไปแล้วยาก็หยุดกินการพิจารณาทางปัญญาก็เป็นการให้ธรรมโอสถแก่ใจเป็นธรรมโอสถเป็นยาของใจเมื่อความฟาุ้งซ่านความ ความทุกข์ความวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนี้มันไม่มีแล้วก็ไม่รู้จะไปพิจารณาอะไรก็ต้องขยับขึ้นไปสู่สู่ปัญหาที่ละเอียดกว่านั้นคือนอกจากกายแล้วก็ยังมีนามธรรมายังมีจิตอยู่ที่ยังเป็นที่ตั้งของสัตว์ต่าศึกคือกิเลสกิเลสยัง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 กับตาหูจมูกลิ้นกายหรือธรรมารมณ์ที่สัมผัสกับใจแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นมารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาแต่ไม่มีไม่มีผู้สร้างมันขึ้นมาไม่มีผู้มีความรู้สึกมันเป็นเพียงแต่ความรู้สึกเป็นเวทนา สัญญาผู้ที่จําได้หมายรู้เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะก็เพียงแต่ทําจําได้หมายรู้สัญญาสังขารผู้ปรุงแต่งใน ย, ยามที่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะแล้วเกิดเวทนาก็สังขารก็จะปรุงแต่งว่าควรจะทําอย่างไรดี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 ต่ไม่ดีใจเวลามีมภาพสวยๆปรากฏขึ้นในกระจกนั้นจะไม่มีปฏิกิริยาขยะขยั่งรังเกียจเวลามีภาพที่ไม่สวยงามปรากฏขึ้นในกระจกกระจกก็เพียงแต่สะท้อนภาพความจริงของภาพนั้นๆใจก็สะท้อนหรือรับรู้ความจริงของสภาวธรรมที่ปรากฏขึ้นในใจิตในใจในขณะนั้น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 ตัวรู้ได้ไม่เป็นตัวตนได้อะไรจะเกิดขึ้นในในนั้นก็ในใจก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรว่าใจตั้งอยู่ในจุดที่รับได้ทุกรูปทุกทุกอย่างทุกเรื่องก็คือในจุดที่เรียกว่าอุบเบกขาใจต้องเป็นกลางใจต้องปราศจากอคติอคติทั้งเรือรักชังแล้วก็หลงแล้วก็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 สั่งได้ก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นอำนาจเด็ดขาดเช่นในขณะที่เรานั่งเจ็บปวดแล้วเราบอกเอ้ยเราลดขึกก้นได้เราทำให้มันหายได้อย่าไปคิดว่ามันเป็นอำนาจเด็ดขาดเพราะจะมีสักวันหรือสักครั้งหนึ่งที่มันมันเจ็บแล้วเราทําให้สั่งให้มันหายไปไม่ได้เช่นเจ็บไข้ได้ปวด่วยยุกยาอะไรก็กินหมดแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทําให้มันหายได้ เพรฉะนั้นมันต้องมีวาระหนึ่งที่เราจะไม่สามารถไปบังคับมันได้เป น, นการที่เรานั่งฝึกทกํา จ, จิตใจนั่งแล้วให้เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาก็เพื่อเป็นการฝึกใจเป็นให้ใจขยับเข้าสู่จุดของความเป็นกลางเป็นอุเบกขาไม่ให้ใจไปมีอาการกับภาวะต่างๆที่มามาสัมผัส เมื่อเราทำจนกระทั่งเกิดความชํำชองแล้วต่อไปเราก็จะสบายเราพร้อมที่จะรับกับทุกสภาพได้ความเวลาอยู่อย่างสุขอย่างสบายก็รับได้เวลาอย่างทุกข์อยู่อย่างทุกข์ยากลาบากก็รับได้จะไม่มีความทุกข์ในใจความทุกข์จะมีแต่เพียงภายนอกเช่นความทุกข์ยากลาบากเช่น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 ท่านนั้นเองแต่เรื่องค่าใช้ใจ่ายทางด้านเอนเตอร์เทนทางด้านการหาความสุขต่างๆทางรูปเสียงกลิ่นรสผลภาาิภัณนี้ตัดไปได้เลยใจนี้ไม่ต้องหาความสุขกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะใจมีความสุขที่เหนือกว่าดีกว่าอยู่ภายในใจก็คือความสงบนี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐทัโลก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 ถ้าเรารู้ว่เาเราอยู่ข้างหลังเราก็ต้องเราก็ต้องทำให้มากอ่ะคนที่ก็อยู่ข้างหน้าเพื่อเราจะได้ตามเขาทาเรื่องเหล่านี้รอกันไม่ได้ไม่เหมือนกับการเดินทางที่เราสามารถที่จะรอกันได้แต่การปฏิบัตินี้ไม่ควรรอกันเพราะเราแข่งไม่เราไม่ได้แข่งกับคู่อื่นเราแข่งกับเวลา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 ก็ต้องมีกําลังพร้อมเพราะมันไม่เหมือนกับเดินตามที่ราบคนที่จะปีนเขานี่เขาต้องใช้เวลาเตรียมตัวทั้งทางด้านร่างกายสุขภาพและเครื่องไม้เครื่องมือเขาต้องซ้อมออกกําลังกายวิง่งทีละหลายหล า, หลากิโลเพื่อให้ร่างกายนี้มีกําลัง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 พื้นฐานเป็นกอไก่ขอขาของการปฏิบัติเหมือนเป็นอนุบาลคือต้องมีสติตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆเดินใจให้ให้สติดึงใจไว้ให้อยู่กับตัวรู้ให้อยู่กับปัจจุบันไม่ให้ไปอยู่กับเรื่องราวต่างๆในอดีตในอนาคตในที่ที่นูน่นที่นี่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 ความหลงถ้าไม่มีสมาธิแล้วคิดไปพิจารณาไปบนพื้นฐานของความฟุ้งซ่านก็เป็นวิปัสสนูตอนคิดว่าตนรู้แล้วเห็นแล้วแต่จิตใจฟุ้งซ่านเหมือนกับลิงอย่างนี้ดอกตัวเองแต่ถ้ามีความสงบเป็นพื้นฐานแล้วเวลาพิจารณาอะไรแล้วถ้ายังฟุ้งซ่านอยู่ยังไม่สงบอยู่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 ก็เกิดการกระเพื่มขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาสมสมาธิโดยลําพังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของการกระเพื่มจิตได้ดามได้แต่เฉพาะเวลาที่อยู่ในความสงบเท่า น, นั้นเป็นเหมือนหินทับหญ้าหินทับหญ้าว่าหญ้าก็จะไม่งอกงาแต่หญ้าไม่ตายเพราะรากยังอยู่ในดิน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 ไม่มีทางที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้ก็จะวนเวียนอยู่ในในวัฏจกักรนี้เกิดแก่เจ็บตายเกิดมแม้ลอกกเสพหาความสุขทางโลกไปตายไปก็ไปใช้เวรใช้กรรมหมดเวนหมดกรรมก็กลับมาเกิดใหม่มเศรษใหม่วนไปอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆฉะนั้นขอให้เรามีศรัทธาเป็นเป็นจุดเริ่มต้น ขอเราเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอนในพระอริยสงฆ์แล้วก็ขอให้เรานําเอาไปปฏิบัติด้วยความวความภาคเพียรษาความขยันหมั่นเพียรคือมีเวลาว่างเมื่อไหรก็บุ่งมาทางนี้มาปฏิบัติอย่างเดียวเจริญสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับมีเวลาว่างนั่งทําจิตให้สงบได้ก็ทําไป พิจารณาทาบทญดบุญหนึ่งได้ก็พิจารณาไปพิจารณาร่างกายก็แก่เจ็บตายพัฒนาจากกันเราสุภะไม่สวยไม่งามเป็นปฏิกูลเนี่ยพิจารณาไปแล้วจิตก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆจึงขอฝากเรื่องของการนําเพนคุณธรรมทั้งห้าประการนี้ให้ท่านได้นํำมาไปพิจารณาและเอาไปปฏิบัติต่ตอไป แสดงจะเห็นว่าสมควรแต่เวลาพอยุติไว้เพียงเท่านี้ถ้าจนพูดถึงเรื่องของศรัทธาวิริยะสติศรัทธาองเคลื่อนหมุนให้เกิดเกิดวิริยะอันนี้พอมีอย่างนี้ก็ได้ยานระดับของเนี่ย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 ความยุติธรรมนนต้องทให้เกิดผลศรัทธาที่จะเกิดภาพผลด้วยชั้นหนึ่งเปลี่ยนจากศรัทธาที่สั่นคลอนเป็นศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนพอเราเห็นผลแนละ้วมีมีมีผลเป็นเครื่องยืนยันแล้วก็ไม่สงสัยแล้วเช่นคนให้ธนาบัตรมาใบหนึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าของจริงกับของปลอมก็ต้องเอาไปใช้เหมือนใช่ไนะหมเมื่ออาไปให้คนที่เขาชานาญทางด้านธนาบัตรดู ไปที่ธนาคารในประเทศไทยบอกได้ธนาบัตรใบ น, นี้มาช่วยพิสูจน์ให้หน่อยว่าช่วยรับรองให้หน่อยว่าของจริงและของปลอม mm hmm. บอล ก, ก็บอกของจริงโอ้ทีนี้ก็ศรัทธาแล้วเนี่ยอ๋อของเอาไปซื้ออะไรได้การปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเริ่มเห็นผลแล้วทีนี้ก็จะศรัทธาแล้วว่าอ๋อปฏิบัติตางนี้มันได้ผลจริงๆมีประโยชน์กับเราจริงๆ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 เป็นสิบล้านแต่เราไม่ทําเราพอใจกับเงินเดือนที่เราได้เดือนละสี่ห้าหมื่นหรือสี่ห้าแสนแต่เราจะไม่คิดเอาประโยชน์จากหน้าที่การงานของเราเราจะมีความสุขใจมีความภูมิใจและเราจะไม่หว่นไหวต่อการกล่าวหาการอยากจะมากล่าวหาฟ้องร้องว่าเราประพฤติผิด ไม่ชอบเราก็ไม่รู้สึกอะไรนอนรับสบายแต่ถ้าเราไปรับสินบนเข้ามาเนี่ยเราจะกินไม่ได้ก่อนไม่รับนี่ก็เห็นเป็นผลนะถ้าเราพิจรารณาผลที่เกิดจากการรักษาศินเกิดจากความซื่อสัตย์จริตแต่มันไม่มันไม่มันเป็นดำขาวเหมือนกับภาวนาถ้าดำขาวนี่มันเหมือนกับ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 เราอยากไปอาศัยมันดีกว่าอยู่แบบไม่ต้องอาศัยมันก็ได้มีคนก็อยู่ได้ทำไมจะอยู่ไม่ได้งั้นจะออกก็ออกไม่เป็นไรนี่พิจารณาด้วยปัญญาปั๊ความยี่งตกังวลต่างๆก็หายไปนี่นก็จะเห็นเห็นประโยชน์ของของการพิจารณาด้วยปัญญาเห็นใจรักแล้วปล่อยถ้าเห็นใจรักแล้วมันก็ มันก็มันก็จะปล่อยวางได้ออกแต่งานได้บวชได้วันที่สิบสองเมษาเส้นงานนี้อาจารยที่เกิดความฟุ้งซ่านในทางรำเนี่ยนะคะบบางทีเนี่ยเราไม่มีหรอกความฟุ้งซ่านในนทางคาไม่มีฟุ้งซ่านในเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนลยปัญญาที บางครที่เขาเข้าไปแล้วเขไปเงียบไปเลยหรืออะไรอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วก็อันนั้นเป็นเขาติดสมาธิในการสนห ร, หรือว่าเป็นเพราะเขาสติดแดดเราไม่รู้ใจเขาเนี่ยใช่ไหมเราเห็นแต่ทางสภาพของเขาภายนอกที่มีคนเขาเ ข, าเขามาถามเหมือนกันใช่ไหมที่เข้าไปอยู่วัดแล้วกลับมาอยู่บ้านแล้ววันนึงก็โกนศีรษะนอนแข็งทื่อนี่แล้วเขาก็ถามว่าให้ทําอย่างไร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 อยู่ในสมาธิไหมคะไม่เก็เนี่ยพยายามจะให้กลับเข้าไปในสมาธิด้วยการเจริญพุทโธถ้าเป็นสมาธินี่มันจะตื่นมันจะเบิกบานมันจะสดใสมันจะสดชื่นอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันซึมเศร้ามันแกว้งระหว่างสองสองสองสองส่วนไงส่วนที่ฟุงซานแล้วก็กลับลงมาซึมเศร้าจิตมันแกวนไปแกว้งมา เวลาเกิดอาการฟุงร้งซ่านเนเหมือนกับว่ากระปี้กระเป๋าก็ตือรือร้นทำนู่นทำนีนน่กินนู่นกินนี่พอเกิดเวลาซึมเศร้าก็ง่อยหเหงานิ่งไปทีนี้ไม่ทราบว่าไปไ ป, ไปทำอะไรที่ทำให้เกิดเกิดภาวะนั้นขึ้นมา่นี้ก็ไม่สำคัญสำคัญอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้มันกลับมาเป็นปกติ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 เด็กร้องไห้ก็จ้องงอแงอยากจะกินน้ำก็หานะ้ำก็กินอยากจกินข้าวกาหาขา้าวอยากจะนอนก็ปล่อยเขานอนไปแต่อย่าไปกดดันเขาอย่าไปกดดันอย่างไรแต่ในระหว่างนี้ให้เวลาเขาจะมีสติที่นคุณโูดได้ไมคไม่ได้ถ้าเขาไม่รับรู้เรื่องจากภายนอก ถ, ถ, ถ้าไม่ฟังฟังแล้วไม่ไม่รู้ความหมายก็ไม่ไม่สื่อกันไม่ได้ก็ต้องให้เวลาเป็นตัวฟื้นฟู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 มันก็ยังไปทําให้จิตของเขาเนี่ยยังต้องกระเพื่อมอยู่เรื่อยๆนี่อาจจะผิดหรือจะถูกไม่รู้นะแต่เราก็วิเคราะห์ไปทางทางก็ตามความเข้าใจลูกเคยตั้งใจทําได้ร้ายตั้ง7ปีแล้วลูกเคยส่งคนมาที่เป็นเด็กผู้ชายที่เขาเป็นปฏิบัติไปแล้วเป็นปัจจุบันกกลับไปตามตามที่ท่านตั้งนองนะคะแต่ปัจนนี้ก็ยังไม่หายอืม นั่นแหละถ้าว่ากรรมยังไงมันเป็นอย่างนี้แล้วเป็นเรื่องที่คนเดินแก้ไม่ได้กรรมของกายของมันพี่อาจารสวยกัรอย่างนี้นานแค่ไหนเปลี่ยนไม่รู้เปลี่แล้วแต่ว่ามันหนักหรือมันเบาแล้วก็จะเป็นบุญหรือไม่อย่างอย่างบางคนมีบุญได้ไปเจอเจอคนที่เก่งที่ฉลาดเช่นพระพุทธเจ้า แล้วก็มีสติพอที่จะรับฟังได้เขาก็จะมีโอกาสแก้ตัวเขาเองได้เช่นองคกุลิมานนี่องค์กุลิมานี่หลงมากนะถ้าคนขนาด น, น, นั้นได้ขนาดนั้นเป็นความหลงแต่ก็อันนี้มันเหมืนมันเหมือนคนบ้าเพรามันต่างกันคนบ้าคนหลงมันก็หลงเหมือนกันแต่ด่หลงมากกว่าองค์กุลิมานคือองคุลิมานี่ยังมีสติสตังพอที่จะรับรู้ได้ แต่นี่ก็ไม่รับรู้อะไรเลยไม่ได้ในบางขนาดก็ล้ไม่รว่เขาคุยกับเขาได้ไหมคุยเขาตามปกติอย่างที่เราคุยกันนี้ได้ไมอมก็คุยอยู่คนอยูสองคนก็คุยได้ก็คุยอะไรบอกว่าหลวงตากรูบาอาจารย์ท่านสอนให้ทําอะไรก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะเอาไปทําได้หรือไม่เป็นธรรมะโอรสเนี่ยเขาจะกินยาหรือไม่แล้วเขากินยา ได้เขาก็จะพื้นฟื้นกลับมาได้เร็วแต่ก็ถ้าก็ทําไม่ได้มันก็เหมือนกินยาไม่ได้แล้วแล้วในการไปวิปัสสนุพระพุทธเจ้าได้มีบอกอุบายไว้ไหมคะวิธีแก้ก็ไม่ได้กไม่ได้ศึกษารายละเอียดไม่ทราบมันจะมีรายละเอียดอย่างนี้หรือเปล่าก็เพียงแต่อาศัยจากการวิเคราะห์ในเรื่องในเรื่องต่างๆ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 คนเสียสตินี่ก็ไม่มีใครเข้าไปแก้เขาหรอกเพราะเขาไม่อยู่ในสภาพที่จะรับรู้ข้อข้ออะไรวิธีที่จะแก้ปัญหาของเขาได้คุยกับเขาก็คุยยังไม่รู้เรื่องแล้วรู้เรื่องเขาก็ทำไม่เป็นคนที่ปกติอย่างเรายังทำไม่ได้เล ย, ยนะเราก็หลงเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเรายังอยู่ใน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 แล้วพอไปถูกอะไรกดดันเขา้ากระทบแรงๆเขา้าหรือเขาอาจจะมีความมุ่งมั่นมากแล้วทำไปจนกระทัง่งเกิดความเครียดขึ้นมาบังคับจิตของตนเองมากจนเกินไปเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่าเตึมเกินไปก็ไม่ได้หย่อนเกินไปก็ไม่ดีสายพินนี้ต้องให้มันพอดีท้า พ, พุทธเจ้าก็มองไปก็เหมือนคนบ้านอนอด้าลงถีบถก้า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 โดยปฏิเสธการตักเตือนของผู้เนี่ยทางนี่มันก็เป็นอย่างเงี้ยมันมันหลงได้ง่ายเพราะมีเชื่อมีความหนงอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นตัวนำอยู่แล้วแล้วพอไปไปสัมผัสกับอะไรแล้วไปวิเคราะห์ผิดเนี่เหมือนหมอนี่หละไม่สบายไปหาหมอหมอวิเคราะห์ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงมันเป็นอย่างเงี้ยรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย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 คำสอนของผู้นที่เป็นเหมือนแผนที่ทางที่เราไปนี้เป็นทางที่เรายังไม่เคยไปเราอาจจะหลงทางได้ถ้าไม่มีแผนที่คิดว่าควรจะไปทางนี้แต่ทางจริงมันต้องไปทางนี้นี่ก็หลงแล้วทุกขั้นสมาธิก็หลงติดสมาธิปัญญาก็หลงสังขาร ผมคิดว่าพอพอพอผ่านสมาธิแล้วก็ไม่ต้อ ง, ง, งกังวลกับเรื่องสมาธิแล้วเจริญปัญญารูปเดียวแต่ไม่ใช่สมาธิก็ยังจําเป็นอยู่หรือคิดว่าได้สมาธิแล้วก็จบแล้วจิตสงบแล้วก็ไม่เจริญปัญญาต่อติดอยู่ในสมาธิถ้าได้ยินใน้ฟัง่งนี้มันเรารู้แล้วว่าเราต้องทําอย่างไร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 เนเป็นอ น, นิสงส์จากการฟังเทศฟังธรรมทาให้มีความเห็นที่ถูกต้องกระจัดความสงสัยจะได้ทำให้จิตมีความสงบจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่ไดีินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นมงคลโดยประกา ร, รนั้นนี้ เอตามังกลมุตตามังเพื่อนรู้คะเรางางแล้วมันจะถอนมาเร็วเกินไปแล้วเขาจะปวดหัว้ามวันนะอาจวดหัวนะคก็รักษาก็น่าจะนง้างวันหน่งหลงจาวจะนอ้ คือเขาคงจะไปไปไปไปเสียดายกับสิ่งที่เขาได้เขาอยากจะให้มันกลับมาอีกความอยากนี้ก็ทําให้เกิดปวดหัวขึ้นมาก็ได้อยากมากๆเขาต้องลืมเรื่องนั้นผ่านไปแล้วจบไปแล้วหลังเรื่องนั้นจบไปแล้วต้องต้องตีตหัวใหม่แล้วก็ไปดูรอบใหม่รอบนั้นมันไม่กลับมาแล้วอดีตผ่านไปแล้ว สมาธิที่ได้มาจะจะลึกจะตื่นจะนานจะช้านี่มันมันจบไปแล้วให้ทาใหม่หุงข้าวหม้อใหม่หม้ อ, มอเก่ามันมันผ่านไปแล้วโยนให้หมากินไปหมดแล้ว <c oughs> อย่าไปเสียดายอย่าไปอยากจะได้คืนถ้าอยากจะได้ในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เหมือนก็ทำให้เครียดได้ไม่บอกนะคะข้าวระเพะเขบอกาลุ๊ อาจจะปวดัวเรื่องอื่นก็ได้เรื่องนี้เรื่องสินเรื่องปัญหาต่างๆก็ได้เนี่ยข้างนู้นเขาก็จมีกษณะาเห็นเมากเลยเห็นเห็นโลกถึงนยางเลยเนีะเขาก็เลยเขก็กลัวนะฮะบางส่วนเขากกลัวทีคยพก็บอกเขให้กลับมาหาองค์ภาวนากลับมาหาตัวรู้หาผู้รู้ก็ได้ เลยภาวนาพุโทโธก็กลับมาพุโทโธพอพอุพอโทโธกลับมาละไอ้รูปตา่ตางๆมันก็จะหายไปพุโทโธไล่มันไปได้ถ้าไปตามรู้มันก็จะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆที่อยากรู้มาจากกระทั่งไปนอนไปาำไปนอนทักที่โรงแรมลูกก็ลูกก็อยู่อยู่ตรงจุดนั้นเขาบอกเขาจบเขาเห็นเลยเพราะขลับตาก็าลืมตาเก็ยังเห็นอีกเขาก็จะว่าเป็นเป็นภาพเป็นดวงที่ก็ามองยอกลับเขายังเห็น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 เราอย่าไปคิดถึงเขาเดี๋ยวเขาก็หายไปเองแต่ถ้าเห็นแล้วพยายามจะไล่เขายิ่งยิ่งไล่ยิ่งยิ่ ง, ย, งยิ่งอยู่เพราะเราคิดถึงเขาอยู่เรื่อยๆอยงเงี้ยการที่เราไล่เขานี่เรากําลังคิดถึงเขานะใช่ไหดจอเรื่องนั้อ่าจิใจเรื่องนั้นแค่นี้เรียกว่าสอ ง, สองรอบเขาไม่ถามว่าคุยได้คุยได้ถามได้ออ ถามได้เป็นยังไงมาจากไหนเหมือนคุณแม่แก้วบางทีเขาก็อาจจะมามาปรับทุกข์ก็ได้อาจจะปรับทุกข์อาจจะขอแบ่งส่วนบุญอะไรจากเราก็ได้ก็เห็นจนไรก็ภาพนอกภาพในมันก็เหมือนกันพวกเราก็เป็นปัจจุบันก็เป็นคนอน า, นาคตก็เป็นผีเหมือนกันแล้วเรต้องกลัว<ข>สมมุติ สมมติเราตายไปแล้วเรามาโพสให้คุณเห็นเนี่ยคุณจะกลัวไหมเราเราก็ไม่ทําอะไรคุณขนาดที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ทําอะไรกันอย่างนีแล้วเวลาตายไปแล้วจะไปไปจะไปทําอะไรกันได้ความกลัวก็คือความหลงของเรานั่นเองคิดไปโดยไม่มีเหตุไม่มีผลคิดด้วยเหตุด้วยผลทาไมไม่มีอะไรน่า ก, กลัวหรอก <c oughs> เห็นอะไรก็พรพุทธโธไว้ก็ละกันคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าทรงสอนว่าไปอยู่ในที่น่ากลัวน่ากลัวแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาท่านบอกอย่าส่งจิตไปหาสิ่งที่กลัวให้จเจริญบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วความกลัวนั้นก็จะหายไป <c oughs> เราจะรู้ว่าความกลัวนี้ออกมาจากใจออกมาจากจิต เมื่อไม่กลัวแล้วอะไรจะมาก็ไม่เป็นไรจะเห็นอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ตอนที่เห็นนั้นเราเกิดอาการกลัวอย่าส่งส่งจิตไปคิดถึงเรื่องนั้นหรือไปหาเรื่องนั้นให้หาพุทโธธรรมโมสังโฆเพราะคนเราเวลากลัวบ้างๆนี่จะสวดมนต์กันได้เร็วครับหรือถ้าพุทโธพุทโธในใจยึดแนกักติเดเยียเกับใจ คนที่ต้องการให้จิตสงบจริงต้องอาศัยที่หน้าโกรธหน้ากลัวให้เกิดความกลัวขึ้นมาเมื่อเกิดความกลัวแล้วจะสวดมนอย่างอย่างยังตั้งใจทําอย่างจริงจังเลยไม่สักแต่ว่าสวดถ้าอยู่บ้านเนี่ยถึงเวลาสวดก็สวดไปอย่างนั้นะจําจใจสวดใจก็ไม่ได้อยู่กับการสวดสวดไปก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไป การถ้าเกิดความก ล, วกลัวนี่มันไม่คิดเัองอื่นนะมันยังอยู่กับบทสวดมนต์อย่างเดียวแล้วบางทีสวดไม่ทันทันเสร็จแล้วิตไม่สงบนะจะเห็นคุณค่าของของกสถานที่น่ากลัวแล้วเห็นคุณค่าของการสวดมนต์ต้องไปกันนะถ้าอยากจะเห็นผลต้องไปที่อย่างนั้นกันนะ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 ปรวติปฏิปทาของพระทโดงกรรมฐานนั่นก็ไปอยู่ตามป่าตามเข า, างองค์ท่านก็ไปนั่งทางเสือผ่านางองค์ก็ไปนั่งที่หน้าเหวเลยถ้าสบงบ ก, ก็ตกเหวเลยถ้ามันรู้มันจะตกเหวเนี่ยมันไม่สงกมันไม่ง่วงมันจะเตือนมีสติตลอดเวลาถ้าไม่มีสถานที่อย่างนั้นก็อดอาหารงินไปอทอาหารก็ทำให้ไม่ง่วงเหงาเานอน นึกไปอยู่กับครูบาอาจารย์ดูดูก็ก็ได้ประโยชน์มีเสือเสือในร่านของดูก็เสือจริงี่นันอย่าไปกลัวครูบาอาจารย์ที่ดูดูท่านดูเพื่อเราเนี่ยไม่ใช่อะไร ความจริงใจท่านไม่ดูหรอกท่านเมตตาจะตายเลยแต่ท่านเห็นคุณค่าของการดูด่าเห็ น, อ, หน อ, อุบายเห็นคุณค่าของอุบายแห่งความน่ากลัวนี้ท่านถึงทาตนเป็นบุคคลที่น่ากลัวมากแต่ใจจริงนี่ท่านโอโ้โหท่านรักเราจะตายเลยเมตตาจะตายเลย เพาะถ้าทุกวันที่ท่านอยู่วันนี้ท่านไม่ได้อยู่เพื่อใครท่านอยู่เพื่อเราทั้งนั้นทาเพื่อเราท่านั้นแล้วเราจะไปคิดอะไรเวลาท่านดุท่านด่าเนาะก็ด่าเพื่อเราดุเพื่อเราเราควรจะดีใจทุกครั้งที่ท่านด่าเราดุเราแสดงว่าท่านเมตตาจริงๆท่านไม่ต้องดุเลยน <c oughs> ะด่าให้พวกเราเห็นตอกข่ายยาวเข้ามาเห็นตอกน ะ, ข, ะขึ้นมาข้างบนนี่ก็ได้ผู้ชายขึ้นมาเหไม่เป็นไรขยับขึ้นมา เ้ามาทงนี้ไดมีเรามีอาตนะแล้วเป็นแบบไหนเข้าไไจำเป็นเข้ามาได้เดี๋ยวเข้ า, ขาไปกัน เยู่ที่ว่าเราเราเราลราถึงท่านในกรณีใดถ้าเราถึงท่านเพื่อให้เราเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ยึดติดแต่ถ้าเราคิดถึงท่านแล้วอยากให้ท่านอยู่กับเราไปนานๆอย่างนี้ก็จะเป็นการยึดติด เราคิถึงท่านคิดถึงประวัติอันดีงามของท่านแล้วทาให้เราเกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตามท่านอย่างนี้อย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ยึดติดแต่ท่านนึกถึงรูปท่านแล้วก็อยากจะให้ท่านอยู่กับเราไปนานๆอย่างนี้ยึดติดเพราะเวลาท่านจากเราไปเราจะเสียใจแต่ถ้าเราไม่ยึดติดเราเราเรารับความจริงเวลาท่านอยู่กับเราก็ดีเวลาท่านไปก็ดี เพราท่านไปเพียงร่างกายท่านนั่นเองเราก็ยังเล่กถึงท่านได้เหมือนเดิมเราก็ยังเล่าถึงคุณงามความดีของท่านได้เราเล่าถึงปฏิปทาคําสอนของท่านได้เหมือนนี่ท่านไม่ได้จากไปหรอกเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเราเห็นคุณธรรมของท่านเราไม่ได้เห็นสรีละร่างกายของท่านเป็นหลักเพราะสลีละร่างกายของท่านไม่ใช่เป็นตัวท่านไม่ใช่เป็นองค์ท่าน องค์ท่านนั่นอยู่ที่คุณธรรมของท่านทุกครั้งที่เราจเจริญพระพุทธคุณพระสังฆคุณนี่เรา<ม>เราถึงท่านแล้ะเราได้องค์ท่านอยู่ประดับอยู่ในใจของเราแล้ะเราทุกครั้งที่เราเระลึกถึงก็จะทำให้เรามีศรัทธามีวิริยะที่จะบำเพ็ญต่อไปเพราะอาโนนนี่พระพุทธเจ้าทรงจากไปแล้วพระอาหนุนก็ยังบำเพ็ญต่อได้ ไม่ใช่พอพอท่านสิ้นแล้วก็หมดกำลังใจไม่ปฏิบัติที่ไหนท่านก็เร่งความเพียรมากขึ้นไปนนองค์แท้ของท่านนั้นไม่ได้อยู่ที่จรีละร่างกายอยู่ที่คุณธรรมคุณธรรมมก็มีสองอย่างคุณธรรมที่เราเ ล, ล, ลิกขึ้นมาแล้วก็คุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติของเราเองคุณธรรมที่เราเ ล, ล, ลิกขึ้นมายังเป็นยังไม่ถาวร เวลาเราได้ขึ้นมาก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าเราไม่เล่าเลืถึงก็หายไปแต่ถ้าคุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติขึ้นมาจิตได้ผลจากการปฏิบัติอันนี้แหละจะเป็นเป็นของแท้ของที่จะอยู่กับเราไปตลอดที่เรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นหลักตถาคตเนี่ยต้องเห็นอย่างนี้จริงๆถ้าเห็นอย่างนี้แล้วจะไม่มีความสงสัยต่อไป แล้วไม่ต้องรับลึกถึงท่านด้วยเพราะท่านมาเป็นตัวเราเสรยจแล้วพูดง่ายๆถ้าพูดเปรียบเทียบเมื่อก่อนเราเป็นนายกรนายคอแต่เดี๋ยวนี้มีพระธรรมมาเป็นเป็นตัวเราแทนเพราะเราคิดอะไรเราไม่ได้คิดแบบเดิมๆที่เราเคยคิดเราคิดแบบธรรมเนี่ย <c oughs> ที่คุยกับญาติโยามเนี่ยเราก็แปลกใจน้อยทําไมมีแต่เรื่องเหล่านี้ออกมา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 ความหลงมันเสียงอยู่มันก็ทําให้เราคิดตามกิเลสไปคิดไปตามภาษากิเลสพอเราบําเพ็ญธรรมจนกระทั่งธรรมนี้เป็นใหญ่ในใจแนละ้วมันก็ก็มันก็คิดไปในทางธรรมะังนั้นเวลาที่เราสวดควาจริงตอนนั้นไม่ควรที่จะระลึกถึงท่านเสด็จซ้ําไปถ้าพอเราต้องการที่ให้จิตเป็นหนึ่ง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 อยากจะเลือกเลือกถึงท่านก็ไว้อีกวลาหนึ่งก็ได้หลังจากที่เราสวดเสร็จแล้วเลือกเวลาใดเวลาที่เรากล่าวพระนี่เราเลือกถึงท่านก็ได้หรือจะใช้ภาพของท่านเป็นองค์ภาวนาก็ได้เป็นนิมิตเป็นกสินเราเลือกถึงภาพของผู้บาอาจารย์แล้วก็พยายามให้ภาพของท่านนั้นตั้งอยู่ในจิตนานๆไม่ให้มีเรื่องอย่างอื่นเข้ามาลบล้างภาพนั้นได้จิตก็เป็นสมาธิได้ แต่ขอให้ทําอย่างใดอย่างหนึง่งอย่าทำสองอย่างพร้อมๆกันดีทำเลยทานเป็นอุปโลกนี่เพราะสังฆทานนี้เป็นสมบัติส่วนรวมของที่ญาติโยมถวายเป็นสังฆทานนี้ไม่ได้เป็นของผู้รับ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 ขอให้สงอนิญาตให้นำสิ่งที่ได้รับมานี้มาจำหน่ายจ่ายแจกโดยให้พระเถระเป็นผู้พิจารณาก่อนแล้วก็เลื่อนตามลำดับพรรษาลงไปจนถึงสมณเณรลูกสุดท้ายถ้ายังมีของเหลืออยู่ก็ขออนุญาตเอาไปแจกจ่ายให้กับลูกสิธิ์ลูกหาต่อไปถ้าไม่ถ้าเป็นสังฆทานแล้วไม่มีการอุปโลก ท่านถือว่ า, าทำทำไม่ถูกหมดบัญญัติจะไม่เป็นไม่เป็นสามีกีกรรมทุกครั้งถ้ามีการกล่าวคําถวายสังฆทาน <c oughs> ก็ต้องมีมีการทําพิธีอุปโลกนี่เป็นรูปแบบแต่ในทางปฏิบัติจริงๆอย่างทางวัดป่าเรานี้เราไม่ถวายเราไม่ถวายกัน <c oughs> แต่ของทุกอย่างที่เราถวายครูบาอาจารย์นั้นท่านไม่ได้ยึดถือว่าเป็นของท่าน ท่านก็ยึดถือว่าเป็นของทุกคนในวัดท่านเป็นเพียงพ่อแม่ที่รับของมาหาของมาให้ลูกๆแบ่งกันใช้ mm hmm. ก็ถ้าไม่มีการกล่าว mm hmm. ก็มันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการอุปรโลกเห็นทางวัดป่านี่เราจะไม่นิยมเสียเวลากับเรื่องพิธีกรรมการกล่าวคำถวายและการอุปโลกแต่ที่นี่เนื่องจากเป็นวัดที่มาจากกรุงเทพ เขามีปริยัติอยู่พอสมควรแล้วเขาก็ยึดติดอยู่กับปริยัตินี้เมื่อมีการกล่าวคำถวายในในในในพระวินัยท่านก็บัญญัติไว้ว่าต้องมีการอุปโลกก็ทำไปตามพิธีแต่ความจริงแล้วส่วนใหญ่ก็ถ่ายรับไปแล้วก็แล้วแต่องค์นั้นท่านจะพิจนา นัานจะแบ่งก <hi> ็ได้ไม่แบ่งก็ได้อันนี้ก็ไม่ไม่เราไม่ได้ถือเป็นเรื่องสำคัญนุณระอาจาย์คะคือเพื่อนของลูกอะค่ะเขาบางทีเขาก็จะบ่นกับลูกว่าเขามีปัญหาเขาอยากจะมีทุเสมหวังในชีวิตนะคะทีนี้เพื่อก็บอกเขาว่าเชิญเข้ามาลองแบะ ซึงเขาก็คิดว่าเขายังไม่เห็นความจำเป็นของตรงนี้เนื่องจากว่าเมื่อวันนี้เขาก็เป็นคนดีพอประมาณไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็ ด, ดูแลครอบครัวแล้เขาก็ไม่เข้าใจว่าการนั่งเฉยๆจะเป็นรูได้อยากก่างไรเขาบอกเขาว่าเขาเนี่ยตอนนี้กำลังหลงเขาคิดว่า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 หวังได้แต่อย่าไปยึดติดอยู่กับความความความหวังนั้นทุกคนมีความหวังอย่งนั้นแต่ต้องบนอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลจะดีกว่าบนพืนพ้นพื้นฐานของความจริงบางอย่างเราหวัง <c oughs> แล้วเราก็ได้เช่นเราอยากจะเรียนให้จบมหาลัยอย่างนี้เราก็รู้ว่าความหวังนี้เป็นไปได้แต่เราก็ต้องเรียนต้องขยันเรียนแต่หวังบางอย่างนี้มันหวังไม่ได้หวังให้สามีซื่อสัตย์กับเรา หวังให้คนนั้นเขารักเราเขาไม่ชอบเราแล้วเราจะไปหวังให้เขารักเราได้อย่างไรเราไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงบากเขาให้คิดอย่างนี้แล้วเขาจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องอะไรคนไม่เข้าใจแค่ว่าเข้าวัดแล้วก็มาทำพิธีกรรมเพราะส่วนใหญ่เขาทำอย่างนั้นกันมาเข้าวัดก็ตั้งหน้าโม ขอศีลถวายสังฆทานปวดน้ำให้พรเสร็จก็กราบพระให้ให้หลวงพ่อได้พักผ่อนก่อนจะอยถ้าขายวันไหนไปแล้วเกิดถูกพอดีไปเจอต้องฟังเทศโดยที่ไม่ไม่ไม่ไม่ตั้งใจฟังบางทีก็อึดอัดไม่รู้จะทำยังไงโอเคก็นั่งบนไปในใจไง บางทีก็หาหาทางให้ออกก็ได้เพราะไม่คิดว่าการฟังธรรมนี่มีคุณค่าที่ว่าเป็นเรื่องอะไรล้าสมัยงมงายพูดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเปรตเรื่องผีเรื่องเวรไหว้ตายเกิดเรื่องเป็นเรื่องที่เขามองไม่เห็นเขาพิสูจน์ไม่ได้เขาก็เลยตัดไปตัดบทไปง่ายๆว่าเป็นเรื่องงมงายไป แล้วพอมาได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้เขาก็ไม่สนใจกลัวจะถูกล้างสมองไม่เคยไปเข้าวัดป่าหรือไม่เคยศึกษาธรรมะจากต้นฉบับศึกษาจากต้นฉบับถึงจะรู้ว่ามันเป็นวิชาความรู้เป็นศาสตร์เป็นจิตศาสตร์เป็นกายศาสตร์ธรรมะของพระเจ้านี้เกี่ยวข้องทั้งสองส่วน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 ปิเลตจึงไม่เขาจึงไม่นำว่าไปบรรจุเป็นปริญญาไม่สอนกันในมหาวิทยาลัยสอนแต่เฉพาะวิทยาลัยสงในเมืองไทยก็มีอยู่สองแห่งมหามกุตแล้วก็มามหาจุฬาลงกรณ์ที่เป็นโรงเรียนที่สอนทางด้านพุทธศาสตร์แต่ก็ยังไม่พอเพราะสอนเพียงครึ่งเดียวสอนทางด้านทฤษฎี ไม่สอนในการปฏิบัติไม่พาออกเข้าป่าพวกที่เรียนนะไม่พาเข้าป่าถือธูดงขวัดถือผ้าสามผืนนอนโคนไม้ฉันมือเดียวอยู่ในเมืองมีเครื่องบันเทิงมีเครื่องอำนวยความสุขครอบทวนเหมือนกับเป็นคาราวานก็เรียนแต่ทฤษฎีนั่นเ้แต่ไม่ได้นำเอามาใช้ ในการขัดเกลาจิตใจเพราะมีเจ้าของเก่าเขาคอยต่อต้านอยู่ใจตอนนี้ของปุทุชนของพวกเรานี้ถูกกิเลสครอบงาอยู่เป็นเจ้าของเราจะไม่ให้เปิดโอกาสให้ธรรมะเข้ามาในใจของเราได้ง่ายถ้าเราไม่แหวกไม่ผลักมันไม่ไล่มันมันไม่ไปเราต้องพยายาม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 วอกิเลจะไม่มีที่อยู่ยก็เหมือนกับการต่อสู้ของการแย่งแก่งแย่งอานาจกันเนี่ยใครที่มีอำนาจอยู่เขาก็ต้องหววอำนาจเขาไว้คนที่ไม่มีอำนาจก็อยากที่จะโค่นล้มผู้ที่มีอำนาจก็ต้องหาวิธีการต่างๆกันในใจก็มีอำนาจอยู่สองส่วนที่เรียกว่าธรมะะาธรมกับธรรมตอนนี้ใจของพวกเราถูกอธรรม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 กำลังเป็นทาตหรือเป็นผู้ที่เป็นไทยเป็นไทยหรือเป็นธาตอยู่ถ้ายังมีความโลภความอยากต่างๆอยู่นี่แสดงว่ายังเป็นทาตอยู่เวลาเขาสั่งให้โลภให้อยากให้ไปนั่นไปนี่ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ก็ต้องไปตามคำสั่งเขาถ้าเป็นไทยแล้วไม่ต้องไปไหนอยู่เฉยๆนี่สบายที่สุดไม่ต้องมีอะไร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 พอเจอผลไม้ลูกหนึ่งไม่ดีโอ้ดีใจน้องสาวไปนี่ <c oughs> อ้องทำบุญทำทานแล้วเจอผ้าไม่ดีองเดียวสบายเลยใช่ไหมะแล้วก็ถ้าเราบริกรรมผุ้ทโถวธรรมโสังโคนี่นะคะจะมีการยืบติดนะคะจะเกิดขึ้เลยคือผู้โถธรรมสังโคนี่มันเป็นเป็นเหมือนกับรถยนต์เนี่ยรถยนต์ที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทาง มันโยมเดินทางมาจากบ้านจะมาที่นี่ก็ต้องอาศัยรถยนต์แต่ว่ายึดติดมันก็ยึดติดแต่ยึดติดเฉพาะขณะที่เดินทางฉะนั้นพอมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้ายังนั่งอยู่ไม่ยอมลงมาเนี่ยอนี้เรียกว่ายึดติดแต่ถ้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ลงมาเดินขึ้นศาลามาอย่นี้อย่า ง, งนี้ไม่ยึดติดแต่เราต้องอาศัยเขาเป็นพาหนะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทาง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 ท่านก็พิจารณาเอาไปใชใ้มันเกิดประโยชน์เท่านั้นเองแต่ท่านไม่ไปนั่งฝันนั่งคิดว่าเมื่อไหรวันนี้จะมีคนมาถวายเท่าไหร่จะได้เงินเอาไปทำเสียงนี้นเสียงนี้ไม่มีไม่มีอยู่ในใจท่านไม่คิดทําบุญแล้วแต่เวลาที่ยังยังอยู่ยังต้องอาศัยบุญก็ต้องทําบุญเพราะวกเรานี่ยังต้องอาศัยบุญอาศัยการปฏิบัติอยู่ถ้าเราไม่ทําแล้วเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไร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 ไปไม่ถึงไหนกันกิเลสมันฉลาดเนะี่ยกิเลสมันหลอกล่อสอนใจให้ให้เห็นสิ่งที่ดีกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปกลายเปญนยาเสพติดบางคนก็ว่ า, าศาสนาเป็นเป็นเหมือนยาเสพติดคนที่เข้าวัดนี่เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดเข้าว่าไปเนะี่ยแต่คนที่เข้าวัดเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นคนติดยาเสพติดนะแต่ที่เข้าแล้วเข้ารล้เหมือนกับคนติดยาเสพติดก็มี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 ถ้าทำเราอยากจะได้สวรรค์ชั้นนั้นสวรรค์ชั้นนี้กลับมาเป็นมหาเศรษฐีหรื อ, อยิงญขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นมหาเศรษฐียังนี้ก็ไม่ได้เป็นจุดประสงค์ของการทำบุญให้ทานการทำบุญให้ทานเพื่อให้อยากน้อยลงให้โลกน้อยลงให้มีความสุขใจต่างหาที่ทำไป ถวายของกันก่อนดีมั้ยก็ที่ท่า น, นแนะนำไปว่าให้นั่งก่อนดีให้พูดโทรศัพท์ก็ได้ก็พยายามทำค่ะแต่ทำได้ไม่นานทำไปเรื่อยๆประมาณ10นาที10นาทีหรือ5นาทีก็สุดแล้ว พยายามฝืนทําต่อไปถ้ายังฝืนได้ลองฝืนไปบ้างก็ได้มันจะได้นานขึ้นไปเรื่อยเืยหนังสือที่ใครยังไม่ได้ต้องการก็เอาไปอ่านได้นะเอาไปทั้งชุดเลยก็แม้นีว่าเอาไปแล้วต้องอ่านอย่ า, าไปตั้งไว้เป็นที่งพร <c oughs> <c oughs> าเอาไปแล้วไม่อ่านก็ไม่เกิดประโยชน์ได้มันไม่ความวิเศษของหนังสืออยู่ที่การอ่าน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 ถ้าเราแบกของที่เราไม่สามารถยกได้เราก็จะท้อแท้และจะยอมแพ้ไปในที่สุดแต่ถ้าเราค่อยขยับยกขึ้นไปที่เราดิ้หน่อยเราก็จะมีกําลังที่จะขยับขึ้นตามไปได้ยั้นขอให้เราปฏิบัติตามกําลังของเราไปนะขอให้เราศึกษาฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะที่เป็นธรรมจริงๆเนี่ย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 ขอให้เราอย่าไปกังวลถึง อ, อนาคตที่อยู่ข้างหน้าเรามากเกินเกินไปบางคนกลัวว่าเดี๋ยวปฏิบัติมากแล้วเดี๋ยวจะต้องทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งสามีทิ้งภรรยาทิ้งลูกทิ้งหลานนี่เป็นความคิดที่เรายังมีก่เลกอยู่คิดกันแต่พอปฏิบัติไปมากๆเขามันจะเห็นโทษของการมีสิ่งเหล่านี้แทนที่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณ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 ไปห่วงไปกังวลไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้มันจะไม่มีเพราะมันเป็นเป็นความทุกข์กับจิตใจของตนหยุดเริ่มต้นอยู่ที่การได้อ่านได้ไดไดฟังได้ยินได้ฟังนี่แหละแล้วมันจะพาเราไปศึกษาในประวัติดูก็เหมือนกันทั้งนั้ น, น, นทุกคนต้องได้ยินได้ฟังก่อนพระอัญญาณกรัญญะเป็นสาวกชุดแรก สาวกก็แปลว่าวผู้ฟังอฟังแล้วก็ปฏิบัติทันทีบรรลุได้ทันทีพักฟังเป็นขั้งแรกพระอัญญาณโกลทัญยะก็บรรลุถึงขั้นแรกได้ดนั้นการฟังธรรมจะมีคุณค่าอย่างยิ่งการอ่านหนังสือธรรมะ ก, ก็เหมือนกับการฟังธรรมเพราะเป็นเป็นหนังสือที่ถอดมาจากการแสดงธรรมนั้น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 พิจารณาตามเข้าใจตามสิ่งเข้าใจในสิ่งที่เราท่องอยู่ก็นำเอามาใช้กับการปฏิบัติได้เลยสมัยก่อนเขาถึงมีการมีการท่องท่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพอสมัยนี้เขาก็ยังท่องกันอยู่แต่เขาท่อ ง, องเป็นแบบ ก, การเป็นการสวดไปสวดแล้วก็ไม่ค่อยได้ศึกษาความหมายเท่าไหร่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 ก็ขอให้เราให้มีฉันทะมีมีความยินดีต่อาการฟังเทศน์ฟังธรรมมีธรรมบทที่พูดได้ว่าไม่มีความยินดีอะไรจะดีเท่ากับความยินดีในธรรมไม่มีอะไรที่จะชนะไม่มีรถอะไรที่จะชนะเท่ากับรถแห่งธรรมรถแห่งธรรมจะปรากฏขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความยินดีในธรรม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 มนแบบเดียวกันตัวเดียวกันยาที่จะรักษากิเลสกำจัด ก, กิเลสก็เป็นตัวยาตัวเดียวกันคือมักแปดนี่มักแปดหรือทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าเรายึดติดอยู่กับแนวนี้แล้วไม่มีทางไม่มีทางหลงถ้าหลงก็หลงไม่ไกลมีเข้าเลยหลายคนที่ ภาษาทางบาลีไหมครับคนที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าคนสุดท้ายเนี่ยที่พระอนุนไม่ให้เข้าเฝ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าได้หยิเข้าวก็บอกปล่อยเขาเข้ามาเขาสงสัยอยู่ว่าคําสอนต่างๆลทัทธิต่างๆเนี่ยมันมีมากเหลือเกินเขาอยากจะทราบ ว, ว่ามีวิธีใดที่จะรู้ได้ว่าเป็นคําสอนที่ถูกทางพระพุทธเจ้าคํ า, าคสอนใดก็ตามถ้ามีอกมีมรรคเป็นองแปด คำสอนนั้นเป็นคำสอนที่ถูกทางถ้าไม่ได้บอกว่าพุทธศาสนาไม่ได้ทาไม่ได้บอกว่าคำสอนของเราอยู่ที่ว่ามีมรรคแปดหรือเปล่ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคมเห็นชอบความทำรลชอบแล้วก็ต่างตามมามีอยู่แปดประการด้วยกันถ้าคำสอนใครมี <c oughs> มีมักทั้งแปดประการนี้อยู่ก็ ถือว er ่าเป็นคําสอนที่ถูกทางพาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนก็มีทางนี้เลยนะจะให้พอเลยนะตอนนี้เป็นสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สี่องที่ห้าคือพระศรีรัมย์ไม่ไตรในระหว่างช่วงองค์ที่สี่องคที่ห้าจะมีพระกิตเจคิดเข้อุบัติรื่อนั้น่าจะมีได้แต่ไม่มีใครรู้ไงเพราะท่านไม่ ถ้าไม่ปรากฏไม่ไม่ประ ก, กาศบอกใครแต่ที่จะเป็นพระสัมมาพระอารังสสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประกาศภาษาสนานี้จะต้องรอพระษีอ่านมาปรากฏขึ้นแต่ก็ไม่ได้มามก็หลังจากพระสีอ่านแล้วจะไม่มีหรือก่อนหน้านี้สี่รูปสามรูปนี้เราจะไม่มีคือเพียงทรงสแสดงเพียงแค่ห้ารูปเป็นตัวอย่างเท่านั้นว่าแต่ความจริงแล้วมีนับไม่ถ้วน ในอดีตที่ผ่านมาแล้วและในอนาคตที่จะตามมาตราบใดที่ยังมีสัตว์โลกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดยังมีกิเลสอยู่ตราบนั้นก็ยังจะมีพระพุทธเจ้ามามาถ่ายมามาม า, มาช่วยเหลือมามาพาให้ไปสู่พระนิพพานอยู่ไม่มีที่สิ้นสุด <c oughs> อย่าวนะก็จะให้พอนะ <c oughs> ยะถาวาริกวาฮาปุราปริปุเรนติสาคขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดว่าเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังปาจันทูปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสพีติโยวิวัจจันตุ สัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตลายโยสุขีทีขายุโกภะอภิวาธนาสีิตสะนิจังอุทาปจายโนจตารโรธรมมาวทานติอายุปโนสุขังพระลัง